สหายเดินทางกัละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนุ่มคนหนึ่งชื่อแจ็คเขาอยู่ในเมืองเล็กๆแจ็คนั้นอยากจะเดินทางรอบโลกเสมอเขาใจดีมากหลายปีที่เขาทำงานหนักเขาสามารถเก็บเงินได้เป็นจำนวน25้าเหรียญทองแล้ววันหนึ่ง เขาจะรวบรวมเงินของเขาไว้ในถุงเล็กๆและออกทาตามความฝันเขาเดินทางเป็นวันเพื่อไปเจอบ้านเก่าอยู่หลังหนึ่งใครจะสร้างบ้านในป่าลึกแบบนี้นะฉันมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ฉันพักที่นี่ดีกว่าคืนนี้โอ้หลงศพนี่ดูใหม่มากเมื่อเทียบกับบ้านนี้มันแปลกมากที่เจอมันที่นี่แจ็คนั่งที่ใกล้ประตู เขาเหนื่อยมากจนเผลอหลับไปในฝันของเขาเขาฝันเห็นสาวคนหนึ่งเธอใส่ชุดสีขาวเธอมีผมยาวเหมือนไหมและมีตาสีดำสวยงามแจ็คตกหลุมรักเธอทันทีแต่หลังจากนั้นเขาก็รู้ตัวว่ามีอะไรแปลกเธอร้องไหช้ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย ก่อนที่แจ็คจะจับมือเธอเขาก็ตื่นเฮะออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรไม่มีใครอยู่ที่นี่คอยฟังเรกหร้านโอ้ใช่แล้วเราเอาเครื่องประดับของพวกเขาไปให้หมดเลยเดี๋ยวทำอะไรนะนายเป็นใครฉันชื่อแจ็คพวกนายมายุ่งกับโลงศพของเขาทำไม น่าสงสารอย่างนั้นเหรอมันติดเกินเราไงมันไม่เคยคืนเงินเราเรามาเอาเครื่องประดับของเขาเพื่อชดใช้นี่ไม่แล้วถ้าเขาไม่มีชีวิตแล้วล่ะมันผิดที่จะทำลายลงศพของเขาเอาไปยีสห้าเหรียญทองฉันมีแค่นี้เอาไปซะขอแค่อย่าทำลายลงศพของเขาก็พอให้เขาพักผ่อนให้สงบเถอะมันมากไปมันเป็นหนี้เรามากกว่านั้น แต่ไม่เป็นไรเราจะยอมรับกอนได้เราไม่ทำาลายลงสมของมันลาก่อนเพื่อนแจ็คไม่เหลือเงินแล้วแต่เขาไม่ได้เศร้าเลยเขารู้ว่าเขาทำสิ่งที่ถูกเขาพยายามกลับไปนอนและฝันถึงสาวสวยอีกแต่ฝันมันจากไปแล้วหญิงคนนั้นก็เช่นกันในตอนเชา้าแจ็คเก็บของของเขาแล้วออกจากบ้านไป เขาออกเดินทางสนุกสดชื่นกับอากาศบริสุทธิ์หลังจากนั้นเขาเห็นอะไรแปลกๆฉันยืนตรงไหนดีนะที่นี่มันสวยงามมากฉันควรจะมาบ่อยๆ<ง>ก็นะแน่นอนจนกระทั่งครสวัสดีหลงทางเหรอครับใช่หรือเปล่าฮ่าๆเธอฉันไม่มีทางหลงทางหรอกเพราะฉันไม่ไปไหนทั้งนั้น ฉันตัดสินใจเดินทางรอบโลกแล้วไปทุกที่ที่ลมพาไปอาดีเลยผมก็เดินทางรอบโลกเหมือนกันไปด้วยกันไหมออเหมือนคู่หูเดินทางเหรออาใช่แล้วทำไมจะไม่ได้ละ่ะหลังจากนั้นแจ็คกับเพื่อนร่วมเดินทางก็ออกเดินทางเดี๋ยวนะได้ยินไหมโอ้เห็นเหมือนกันญิงแก เหมือนจะท้าแผลงนะเธอต้องการให้เราช่วยแจ็คเราไปช่วยเธอกันเถอะแจ็คเร็วเข้าเปิดกระเป๋าและเอายาสีฟันออกมาอ่าทำไมได้มันล็อกโอ้ฉันเดินได้แล้ว กระโดดได้มันดีกว่าแต่กอดอีกด้วยนะโอ้คนดีแบบเธอฉันจะตอบแทนอย่างไงดีทำไมไม่เอาอแท่งยาวๆนั่นให้ผมละ่ะอ๋อดีเหรอได้เลยเอาไปเลยนะขอบคุณมากมากเลยละเอาไม้นั่นมาทำอะไรฉันสะสมนะทุกอย่างมันมีประโยชน์ แจ็มองว่าสหายของเขานั้นน่าสนใจมากพวกเขาเดินทางแล้วมาเจอกับเนินเขาฉันว่าเราต้องปีกมันนะอะไรนี่เหร อ, อ, อนั่นอะไรนะโอ้เหมือนกับว่าจะเป็นปีกนกนกไม่มีทางทิ้งปีกออกนะไม่แน่ นกมันอาจจะรู้ว่าฉันอาจจะต้องใช้ปีกนี้เห็นนั่นไหมมันบินเองได้กระเป๋านี่วิเศษจริงๆง้นเหรอฉันไม่รู้ไม่เคยสังเกตเลยไปกันเถอะทั้งสองคนไปถึงเมืองเล็กสหายของเขาขอให้แจ็ครอข้างถนนตอนที่เขาหาโรงแรมให้สองคนพัก เมื่อแจ๊รอยอย่างเงีบเยบๆเขาได้ยินเสียงดังและเข้มแข็งมากถอยไปเจ้าหญิงกำลังมาอะไรนะไม่เป็นไปไม่ได้มีอะไรเหรอเธอคือหญิงที่ฉันฝันถึงที่บ้านเก่านั่นแจ็คเล่าเรื่องให้เพื่อนของเขาฟังอ้องั้นพรุ่งนี้นายไปหาเจ้าหญิงกันดีกว่า และแจ็ค ก, ก็เลยทำแบบนั้นเมื่อพระอาทิตย์วันใหม่ส่งแสงแจ็ค ก, ก็ไปที่พระราชวังมันเป็นวังเก่าๆที่มองมากแจ็คอยากจะรู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเขาเข้าไปก็ไม่มีองครักษ้าห้มเขาเขาเห็นราชานั่งเศร้าที่บัลลังแจ็คเคารพราชาท่านราชามผมมาเพราะว่าผมมีคาขอ ฉันรู้ฉันรู้นายมาขอลูกสาวฉันไปแต่งงานสินะเอเอใช่ครับรออยู่นี่เธอน่าจะกำลังมาแจ็คสับสนแต่เขาไม่กล้าถามราชาเขารออย่างอดทนไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหญิงก็มาถึงเธอใส่ชุดสีดำตาหมองหมนและก็น้าตอกกว่าที่เขาเคยเห็นแต่แจ็คไม่สน ตกหลุมรักเธอทันทีเจ้าหญิงของผมผมมาเพื่อขอท่านไปแต่งงานกับผมโอเคแต่เธอต้องผ่านการทดสอบก่อนมากับฉันสิแจ็คตามเจ้าหญิงไปอย่างเชื่อฟังเขาวาดฝันที่จะแต่งงานกับเธอและมีอนาคตกันเมื่อพวกเขาไปที่ระเบียงหลังวังเขาก็เห็นทะเลสาบข้างหลังทะเลสาบสวยมาก ดีนะที่เธอชอบถ้าเธอสอบตกเธอจะถูกโยนลงไปในนั้นเลยละ่ะเหมือนกับคนก่อนหน้านี้ที่มาเพื่อมาขอฉันแต่งงานฟังให้ดีนะเธอจะโดนเรียกมาที่วางตอนเก้าโมงอยู่สามวันแล้วแต่ละวันเธอจะต้องบอกฉันว่าฉันคิดอะไรอยู่ถ้าเธอตอบผิดเธอก็จะต้องถูกโยนลงไปในทะเลส า, าถ้าเธอคิดถูก บอกได้ว่าฉันคิดอะไรอยู่สามครั้งด้วยกันฉันก็จะแต่งงานกับเธอโอเคไหมโอ้โอ้ตกลงเหรนายบ้า ก, กว่าฉันอีกนะฉันไม่รู้ว่าจะทํายังไงนี่ฉันรักเธอถ้าฉันไม่ได้แต่งงานกับเธอฉันก็ลงไปนอนกับจอรเขค่ดีกว่าเอาละไปนอนกันเถอะฉันจะคิดหาทางให้ สหายคองแจ็คเป็นห่วงเขาทันทีที่แจ็คหลับเขาเอาธนูกับไม้ยาวออกมาแล้วก็ใส่ปีกนกแล้วบินไปที่ราชวังเขาอยากจะรู้ว่าปริศนาหลังวังและเจ้าหญิงคืออะไรเมื่อเขาเข้าไปที่ห้องของเจ้าหญิงเขาก็เข้าไปซ่อนอยู่หลังหอคอยเขาเห็นเจ้าหญิงออกมาจากห้องที่ระเบียง แปลกใจมากเธอกางปีกสีดำแล้วบินหนีไปเธอไม่ใช่เจ้าหญิงธรรมดเราต้องตามเธอไปเขาเอาธนูออกมาแล้วก็ล่งไปที่เธอและยิงไม้ไปที่เจ้าหญิงเมื่อเธอหันมาเขาไปซ่อนหลังต้นไม้แล้วแอบดูสิ่งที่เขาเห็นทำเขาตกใจ ตาเธอเป็นสีเขียวโอ้เธอโดนมนนี่นะเขาตามเธอต่อไปเจ้าหญิงลงไปที่ถ้ำหนึ่งเธอเดินเข้าไปจนไปถึงที่หนึ่งและที่บัลังที่นั่นมีสัตว์ประหลาสีเขียวท่านชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อแจ็คอยากจะแต่งงานกับชั้นอีกแล้วเหรอ ไม่ต้องหงเอาหนี้ไปนี่คือสิ่งที่มันต้องเอาให้เจ้าดูข้าท่านเช้าวันถัดไปเมื่อถึง9ก้าโมงแจ็ค ก, ก็ไปที่วางกลับกล่องในมือเขายืนต่อหน้าเจ้าหญิงไหนล่ะแจ็คฉันกำลังคิดอะไรอยู่เจ้าหญิงที่สวยงามของผมคุณกำลังคิดถึงสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไง เพราะความรักที่ผมมีต่อคุณมันบริสุทธิ์พอแล้วกลับมาใหม่พรุ่งนี้เจ้าหญิงสับสนมากไม่มีใครเดาถูกมาก่อนเลยแต่เธอไม่รู้ว่าเพื่อนเดินทางของแจ็คแอบดูเธอไว้ตลอดคืนสับประหลาดเอาถุงมือให้กับเธอคืนนั้นเธอบินออกไปสหายของแจ็กก็ตามไปเธอเข้าไปในถ้ำ เล่าเรื่องทั้งหมดให้สัตว์ประหลาดฟังเขาตกใจเหมือนกันแต่มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้เขาคิดอย่างนั้นครั้งนี้เขาให้หินอ่อนสามก้อนกับเธอเจ้าหญิงก้มหัวแล้วออกไปเช้าถัดมาอีกครั้งที่แจ็คเอาสิ่งที่ถูกต้องมาให้ทั้งวังดีใจมากพวกเขาคิดว่าแจ็คคือนักมายากลเืนนั้นที่โรงแรม พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเพื่อนแล้วเธอจะคิดถึงอะไรกันนะพรุ่งนี้เราถึงจะรู้คืนนั้นเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเรื่องศั์ปะหลาดนั่นตอนแจ็คหลับเขาบินไปที่ถ้าเจ้าหญิงก็อยู่ที่นั่นแล้วเป็นไปไม่ได้มันทายถูกได้ยังไงเอาละกลับไปที่วังห้านาทีก่อนก้ามองก็บดินของฉัน จะเอากล่องไปให้ไม่มีใครรู้ว่ามันมีอะไรแน่นอนไปซะไปที่ป่าแล้วหาดอกไม้ที่มีเจ็ดสีเหมือนสายรุงทั้งโลกมีดอกไม้ชนิดนั้นอยู่อันเดียวหามันแล้วเอาให้เจ้าหญิงตอนเช้าถ้าไอ้นั่นเดาถูกอีกมันก็ไม่มีทางหาดอกไม้ที่สองมาได้ฮ่าฮ่าอ๋อ ร้ายมากไปกันเถอะเช้าวันถัดไปเจ้าหญิงรอกลับเล่นที่ข้างนา ห, าหน้าต่างห้านาทีก่อนเก้าโมงกรับเล่นก็ไม่มามันหายไปไหนนะเจ้าหญิงราชาอยากพบข้าตอน9้าโมงที่หอหลวงทั้งอาณาจักรมารวมตัวรอดูปฏิหาร สาหญิงออกมาแต่มีอะไรต่างไปนางดูไม่สบายใจที่รักสองวันที่ผ่านมาเจ้าไม่คิดถึงอะไรหรอกเจ้าทำสิ่งที่ถูกสั่งให้ทำแต่วันนี้เจ้ากำลังคิดและข้ารู้ว่ามันคืออะไรอะไรอะไรท่านราชาลูกสาวของท่านกำลังคิดถึงก๊อบลินที่หายไปนี่ อะไนะเธอรู้ได้อย่างไง อ, อะไรกันนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันทำไมถึงเป็นแบบนี้ อ, อะไรนะไม่ไม่มีทางออกไปไม่ไม่เอ่ อ, อจ็คเธอทำลายมนได้ขอคุณท่านผมเป็นทหารของที่นี่สัตวปหลาดนั่นมันตกลุมรักเจ้าหญิงแต่ว่ามันเอาเธอไปไม่ได้ตอนที่ผมพยายามช่วยเจ้าหญิง มันสาบมนใส่เรามีชายที่ผ่านการทดสอบของมันเท่านั้นที่จะทำลายมันได้วันนี้ท่านปลดปล่อยเราจากมนดาของมันแล้วไม่นะฉันไม่ได้ทำอะไรเพื่อนฉันตั้งหากที่ช่วยเจ้าหญิงนี่เพื่อนของผมเดี๋ยวนะฉันไม่เคยถามชื่อนายเลยนายช่วยฉันมาตลอดฉันไม่เคยรู้ชื่อนายเลยฉันรู้สึกแย่มาก ทำไมฉันถึงเห็นแก่ตัวแบบนี้ฮ่ฮนายไม่เห็นแก่ตัวหรอกฉันกลับมาเพราะว่านายกลับมาเหรอหมายความว่ายังไงแจ็ค <Jack. S 1> นายไม่เคยถามว่าฉันรู้ชื่อนายได้อย่างไงฉันฉันก็ลืมถามเหมือนกันฉันรู้เพราะนายพูดมันออกมาอย่างดังในบ้านฉันในขณะที่ช่วยฉันจากโจรพวกนั้น นายให้เงินของนายกับพวกหมัน25ห้าเหรียญทองเพื่อให้ฉันได้ไปสู่สุคตินายนะ่ะเป็นคนที่ใจดีมากเลยและตอนนี้หน้าที่ฉันจบแล้วนายก็ได้เจอเจ้าหญิงแล้วฉันต้องไปแล้วละ่ะแจ็คเศร้าแต่เขารู้ว่าเขาไม่มีทางลืมเพื่อนรักของเขาอาณาจักรฉลองเจ้าชายคนใหม่แจ็ค กับเจ้าหญิงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบบริบูรณ์